อาจารย์บอกว่าอยากฟังพระเทะเจ้าเล่าเรื่องการกู้ชาติสิกรีบสนับสนุนว่าผมก็อยากฟังครับแต่ก่อนอื่นผมอยากให้ลุงพออธิบายเกี่ยวกับพระยอดธงแบบสีอยุธยาที่พระยาตาให้สร้างขึ้นผมไม่เข้าใจว่าพระยอดธงเป็นอย่างไรลุงพอโครณาอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับท่านพระครูตอบว่าได้สิ แต่ก่อนที่จะอธิบายฉันอยากขอร้องเธอสักเรื่องหนึ่งคือเธออยากเรียกสมเด็จพระเจ้าตากสินว่าพระยาตาเพราะฟังแล้วดูเหมือนเธอตีตนเสมอกับท่านขอให้เรียกว่าพระเทระเจ้าเหมือนอย่างที่ฉันเรียกจะดีกว่าผมเรียกตามลุงพอในปากนะครับ พระบุญเหียวชี้แจงและอธิบายขยายความอีกว่าสิทธิดีต้องทำตามครูบาอาจารย์ไม่ใช่หรือครับอาจารย์เรียกอย่างไรก็ต้องเรียกอย่างนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเส ม, มอไปหลวงพ่อในป่าท่านเป็นอาจารย์ของพระเถระเจ้าท่านจึงเรียกอย่างนั้นได้ส่วนเธอไม่ได้เป็นอาจารย์ของท่านจึงไม่ควรเรียกอย่างนั้น ก็พระยาตากท่านบอกเมื่อกี้นี้เองว่าชื่อและโคดเป็นสิ่งสมมุติท่านบอกไม่ยึดติดกับสิ่งสมมติจริงไหมครับท่านถามพระเทะเจ้ามหาราชแห่งทนบุรีมิได้ตรัสตอบท่านพระครูจึงเป็นผู้ตอบแทนว่าแม้ท่านจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่เธอควรจะคิดพิจารณาว่าอะไรควร อะไรไม่ควรในฐานะที่เธอเป็นสิทธิ์ฉันจึงขอร้องแกมบังคับว่าไม่ให้เธอเรียกท่านอย่างนั้นเข้าใจไหมเข้าใจครับต่อไปนี้ผมจะไม่เรียกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าพระยาตากจะเรียกว่าพระเทระเจ้าเหมือนอย่างที่ลุงพ่อเรียกครับสิทธิ์ยอมเชื่อฟังแต่โดยดี ดีมากเอาละ่ะทีนี้ฉันก็จะอธิบายเรื่องพระยอดธงแบบสีอายุทยาให้เธอฟังพระยอดธงเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่สร้างไว้บนยอดธงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้รบชนะข่าศึกการสร้างพระยอดธงต้องนิมนต์พระสงฆ์ที่เป็นพระเถระมาสวด ทชชคสูตรหรือทชชคบริษทัชช ะ, ะเป็นคำบาลีมีรากศัพท์มาจากทัชซึ่งแปลว่าธงสนทิกับอคะซึ่งแปลว่าเลิศหรือยอดทัชชคจึงแปลว่าธงอันยอดหรือธงอันเลิศเรียกสั้นสั้นว่ายอดธงการสร้างพระยอดธงขึ้น เท่ากับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเมื่อท่านให้สร้างพระยอดธงแบบสีอายุทยาแล้วยังนิมนต์พระเทรรทั้งหลายมาสวดบทพาหุง ม, มหากาบรรจุไว้ในองค์พระก็ยิ่งทำให้เกิดความคลังศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมขอรับท่านเรียนถามพระเทรรเจ้า อดีตมหาราชแห่งกรุงธนบุรีตอบว่าถูกแล้วการสู้รบสมัยนั้นต้องการขวัญและกำลังใจทชัชคาสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้การสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือการน้อมนำพระธรรมคำสอนเข้ามาไว้ในใจพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญต่อประเทศชาติของเรา เหมือนที่เรากล่าวไว้ว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันแม้บัดนี้เราก็ขอยืนยันว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จะต้องยืนยงคงคู่กันตลอดไปศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาเมื่อใดที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากประเทศสยามเมื่อนั้นประเทศชาติก็ดํารงคงอยู่ไม่ได้เราจึงยังอยู่แม้หมดความหลงในสงสารแล้วก็ยังอยู่เพื่อคอยปกป้องดูแลชาติศาสนา และพระมาหากษัตริย์ดังที่เรากล่าวว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าเหมือนที่สมเด็จพระพุทธารยาท่านพูดว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราใช่ไหมขอรับสมภารวัดป่ามะม่วงถามถูกแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านหมดความหลงในสงสารแล้ว ท่านสามารถคุ้มครองปกปักรักษาประเทศชาติได้เรื่องอย่างนี้คนมีปัญญาที่เขาปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นจึงจะรู้ได้ส่วนพวกไร้ปัญญาไม่สามารถเข้าใจเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ไม่มีการอบรมกายไม่ได้อบรมจิตเขาจะไม่เชื่อในอนาคต จะมีคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองที่เรียกตัวเองว่าพระแต่ไม่มีคุณสมบัติของพระแม้แต่ข้อเดียวพวกเขาจะคลั่งคไคล้ไหลหลงในวัตถุไม่สามารถเข้าถึงความดีงามอันเป็นนามธรรมาได้จะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดคือไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเขาจะมีความคิด ที่โน้มเอียงไปในทางวัตถุนิยมไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณอย่างแท้จริงแล้วก็ไปเชื่อตามพวกวัตถุนิยมที่ว่าตายแล้วศูนย์ร้ายยิ่งไปกว่านั้นเขายัางอ้างว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในอนาคตพระสงฆ์พวกที่ไม่อบรมกายไม่อบรมจิตจะนิยมไปอยู่ต่างประเทศด้วยคิดว่า วัฒนธรรมตะวันตกนั้นเป็นอารยธรรมแต่คนตะวันตกเองกลับหันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาพระเทระเจ้ากล่าวถึงอนาคตของพระสงฆ์ไทยหลวงพ่อในป่าช่วยเสริมว่าในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าจะไม่สนใจที่จะตัดความหลงในสงสารแต่จะสนใจยศตำแหน่ง ถึงกับแข่งแย่งใส่ร้ายป้ายสีกันสังคมสงฆ์จะกลายเป็นลิเกรโรงใหญ่ที่คนดูพากันเอื่อมระอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจะถูกใส่ร้ายป้ายสีเธอเองก็จะพลอยติดร่างแหเข้าไปด้วยคือจะมีพวกพระที่ไม่ปฏิบัติเขาอิจฉาริษยาเธอ เขียนวิจาร์เธอลงในคอมพิวเตอร์เพื่ออวดว่าเขาเก่งกว่าเธอแต่เธอเชื่อเราเถอะคนดีมีปัญญาเขาอ่านแล้วก็จะตัดสินได้ว่าคนเขียนไรปัญญาหากพยายามจะโอ้อวดกับชาวโลกว่าฉันเก่งฉันฉลาดถ้าจะเรียกว่าฉลาดก็คงได้เหมือนกัน คือพวกเขาฉลาดในอบายเมื่อตายลงก็เลยต้องไปเกิดในอบายภูมิคนพวกนี้น่าสงสารพวกเราช่วยเขาไม่ได้เพราะเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าจึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือแม้ในครั้งพุทธกาลคนประเภทนี้ก็มีอยู่ลุง่อครับ ผมอยากรู้ที่มาของท้าชักขู้ตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หลวงพ่อจกักรุณาเล่าให้ผมฟังจะได้ไหมครับพระบูเหียวพูดขึ้นหลังจากที่พระอริยเจ้าทั้งสี่อนุญาตให้ความเงียบเข้าครอบงำอยู่ครู่ใหญ่เพราะต่างองค์ต่างเกิดธรรมสังเวชถ้าเช่นนั้นกระผมขออนุญาตเล่านะขอรับ ท่านพระครูขออนุญาตหลวงพ่อในป่าและพระเถระเจ้าเมื่อได้รับอนุญาตจึงเล่าว่าสมัยพุทธกาลมีภิกษุพวกหนึ่งไปเจริญสมณธรรมคืออบรมกายอบรมจิตอยู่ในที่ต่างๆเช่นตามโคนไม้บ้างตามเรือนร้างว่างเปล่าบ้างตามป่าดงพงไพร ห่างไกลจากหมู่บ้านบ้างเมื่อไปอยู่ไกลพระเนตรพระกันก็พากันเลิกละความเพียรปล่อยใจไปตามอารมณ์พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณทรงมีพระประสงค์จะเตือนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดความอุตสาหะในกิจที่ทำอยู่คือการเจริญสมณธรรมจึงเสด็จมาและตรัสเล่าเรื่องสงคราม ระหว่างเทวดากับอสูนว่าในสมัยที่สงครามระหว่างเทวดากับอสูนกำลังประชิดติดพันกันอยู่ครั้งนั้นพวกเทวดามีความสะดุ้งหวาดกลัวพวกอสูนมากอยากจะยอมแพ้เท้าส ก, กเทวราชผู้เป็นทั้งจอมทัพและจอมเทพโปรดให้ประชุมแม่ทัพนายกองทั้งหลาย และโปรดให้ทำธงประจำกองทัพขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณในการที่จะต่อต้านทัพอสูรทรงมีเทวองค์การว่าดูก่อนชาวเราทั้งหลายในขณะรบกันอยู่ความกลัวความสะดุง้งความหวัดหวันพรั่นใจขนพองสยองกล้าวทำให้ขวัญเสียหมดสิ้นกำลังรบเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นแก่พวกเราได้หากเราใดเกิดมีขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายจงดูทงของเราผู้เป็นจอมเทพและความหวาดกลัวนั้นจะหายไปแต่ถ้าไม่หายให้พวกท่านจงดูทงของเท้าประชาบดีเท้าวรุณเท้าอีสารท่านจะหายกลัวได้ในทันที และกลับมีขวัญกําลังใจขึ้นมาได้พระพุทธองค์ตรัสเล่าต่อไปว่าการดูทงของเท้าเทพทั้งสี่นี้บางครั้งก็หายกลัวบางครั้งก็ไม่หายกลัวเพราะเท้าเทพทั้งสี่ยังเป็นผู้มีราคะโทสะและโมหะจึงยังกลัวอยู่ทำให้ขวัญเสีย นีเตลิดเปิดเปิงไปก็ได้ส่วนพระรัตนไตรที่เธอทั้งหลายบูชาเคารพนับถืออยู่นั้นท่งคุณพิเศษท่งอนุภาพท่งอภินิหารเกินกว่าเท้าเทพทั้งสี่นั้นเป็นดังธงชัยของเธอทั้งหลายเมื่อเธอเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเปลี่ยวก็ดีโคนไม้ก็ดี เรือนว่างก็ดีหากเกิดความหวาดกลัวความสะดุ้งขึ้นมาเธอพึงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยภาวนาอิติปิโสภักวาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเมื่อระลึกยึดหน่วงอยู่อย่างแนบแน่นแล้วความกลัวก็ดีความสะดุ้งก็ดี ย่อมหายไปโดยพลันเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจึงไม่กลัวไม่สะดุง้งดังนั้นอานุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงสามารถบำบัดความสะดุ้งกลัวได้ท่านพระครูเล่าจบ พระบูเหียวยกมือขึ้นพร้อมกล่าวคำสาธุและพนานาคุณพระรัตนตรัยว่าช่างพิเศษประเสริฐล้ำเลิศนักจากนั้นจึงยกมือขึ้นประนมกราบเรียนพระเทระเจ้าใช้คำพูดแบบเดียวกับท่านพระครูผู้เป็นอาจารย์ว่ากระพมอยากฟังท่านเล่าเรื่องการกู่ชาติขอรับพระเทระเจ้ายิ้มน้อย แล้วเล่าว่าเป็นเรื่องลาบากยากเข็นอย่างที่สุดแต่เราก็ทำได้สำเร็จเพราะอาศัยพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังขานุภาพหากเราไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เลื่อมใสในพระรัตนไตรอย่างแท้จริงเราคงทำงานนี้ไม่สำเร็จและเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้เราเมื่อพบกับหลวงพ่อในป่า และท่านขอให้เราวางดาบมารับกรรมฐานจากท่านซึ่งนั่นหมายถึงการสละราชสมบัติออกผนวดเพื่อเจริญพระกรรมฐานเราจึงตัดสินใจทันทีมิได้มีการรังรอเราได้เรียกให้สหายของเรามาพบเพื่อมอบหมายภาระหน้าที่อันสำคัญให้ซึ่งเราจะเล่าในภายหลัง ท่านอยากฟังเรื่องการกู้ชาติไม่ใช่หรือใช่ขอรับพระบุหยวตอบพระเทะเจ้าจึงเล่าต่อว่าเมื่อกลุงแตกเราเป็นผู้นำทหารตีฝ่าวงล้อมพมา่าจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งมั่นอยู่กรุงธนบรุรีตอนนั้นท่านเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆประโยคหลังพระเทะเจ้าพูดกับท่านพระครู ผู้ซึ่งรับว่าขอรับกระผมถูกศัตรูใช้กลนศึกผีบลงน้ำแล้วฟันด้วยดาบจนศีรษะขาดมันเกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบตอนนั้นผมคิดว่าเขาเป็นพม่าแต่พอคอขาดแล้วจึงได้รู้ว่าเขาไม่ใช่พม่าแต่เป็นคนไทย พระเถระเจ้าต่อให้ว่าแล้วก็เป็นพระด้วยเป็นเจ้าอาวาสวัดท่านเอ่ยชื่อวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันอยู่ในตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมรู้สึกสลดใจมากเจ้าอาวาดรูปนี้ประราชิกเพราะอยากเป็นกษัตริย์เขาทรยศต่อชาติ ด้วยการเป็นไส้ศึกให้พ ม, มา่าเขามีน้องชายเป็นแม่ทัพเช่นเดียวกับกระผมเจ้าอาวาสก็คบคิดกับน้องชายว่าถ้ากรุงศรีอยุธยาแพ้แกพ่พ ม, มา่าเขาก็จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์น้องชายเขาก็จะเป็นมหาอุปราชแล้วเขาก็จะแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสที่ร่วมมือกับเขาเป็นแม่ทัพแทนน้องชาย เขาเป็นพระแต่มีความโลภเส ย, ยิ่งกว่าเขาฤหัตท่านพูดปลง่ปลงๆในอนาคตพระสูน์ใหญ่ก็จะเป็นเช่นนี้พวกเขาจะแกงแย่งตำแหน่งกันถึงขั้นทำลายชีวิตฝ่ายตรงข้ามอีกไม่นานเธอจะได้เห็นลุงพ่อในป่าพูดขึ้นแล้วเจ้าอาวาสโรงนั้น ได้เป็นกษัตริย์อย่างที่ต้องการหรือเปล่าขอรับพระบูฮิียถามพระเทระเจ้าเป็นคำถามที่ท่านพระครูรู้สึกว่าสิทธิ์ของท่านซื่อจนเกินขอบเขตจึงตอบแทนพระเทระเจ้าว่าโกดฉันเพิ่งพูดไปหยกหยกว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าเอกทั์แล้วเธอถามอย่างนี้ได้อย่างไรออ จริงสิผมก็ฉลาดน้อยไปหน่อยต้องขอประทานโทษลุงพอด้วยนะครับแต่ผมก็ยังอยากรู้ว่าเจ้าอาวาดรูปนั้นเป็นอย่างไรเมื่อกลุงแตกพระเทระเจ้าเป็นผู้ตอบว่าถูกพมา่าตัดคอทั้งพี่ทั้งน้องก่อนตัดคอพมา่าบังคับให้เจ้าอาวาสศึกเป็นขรืหัดก่อนเพราะพะมา่าก็นับถือพระพุทธศาสนา จึงไม่อยากฆ่าทั้งผ้าเหลืองแล้วถ้าเจ้าพระฝังไม่หนีไปท่านจะฆ่าทั้งผ้าเหลืองไม่ขอรับพระบูเหียวยังไม่วายสงสัยก็ต้องบังคับให้เปลื้องผ้าเหลืองออกก่อนคราวนี้พระหนุ่มหัวเราะคิกๆท่านพระครูออกมันไสจึงถามว่าเธอหัวเราะอะไรมีอะไรขำนักหรือจะหวาขำก็ไม่ใช่ท่านจะหวาไม่ขำก็ไม่เชิงครับ ท่นเล่นสำนวนนี่อย่าชักใบให้เรือเสียได้ไหมฉันมีอยากฟังเธอพูดย่นเยอะแต่อยากฟังพระเถระเจ้าพระโวเฮียวหยุดหัวเราะแล้วจึงเฉลยว่าที่ผมหัวเรานะเพราะคำน่ะเทที่ผมหัวเราะเพราะคำนะครับคือพระเถระเจ้าบอกว่าถ้าจับเจ้าพระฟังได้จะต้องให้ปลึ่งพระเหลืองออกก่อนแล้วค่อยฆ่าอย่างนี้ก็แปลว่า จะพระฝังต้องตายอย่างอนาถคือตายในชุดทีบเปลือยคงเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยนะครับไม่ต้องคิดไปไกลถึงปานนั้นผู้ที่หมดความหลงในสงสารจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและไม่คิดอะไรเกินเหตุเอาละ่ะตั้งสติให้ดีแล้วฟังเราเล่าต่อพระเทะเจ้าบอกพระบูฮียวแล้วจึงเล่าต่อว่า ช่วงที่ตีฝ่าวงล้อมออกไปมีเหตุการณ์คล้ายปฏิหารเกิดขึ้นกล่าวคือทุกครั้งที่ทหารพมา่าตามมาประชิดติดตัวก็จะมีไฟลุกโผล่ขึ้นในจุดใกล้ๆกันทำให้ทหารพมา่าเบนความสนใจไปที่กองไฟเราก็เลยหนีรอดมาได้มารู้ภายหลังว่าเพื่อนเก่าของเราตามมาช่วย เพื่อนเก่าสมัยที่เป็นสิทธวัดด้วยกันตอนเป็นเด็กโย ม, มานดาพาเราไปฝากเป็นลูกสิทธวัดเราเติบโตขึ้นมาภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้ฝึกอาวุธและคาถาอาคมร่วมกับเพื่อนๆ อ, อีกสี่คนแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันพวกเขาคอยตามช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่รู้ ภายหลังที่เราตกลงกับสหายของเราให้ขึ้นครองราชสมบัติแทนและเราได้เข้ามาสู่ร่มกาสวาพัทพวกที่ไม่เข้าใจแผนการอันแยบยนต์นี้เลยพากันกระบฏแบ่งออกเป็นหมู่เป็นเหล่าเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนก่อนกรุงแตกในที่สุดกะบฏกลุ่มหนึ่งอ้างคำสั่งของสหายเราให้นำเราไปประหารทั้งที่ตอนนั้น เราอยู่ในเพศบรรพชิตซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือเกิดกระบทซ้อนกระบทจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้านเมืองระสำมระสายอีกครั้งหนึ่งเราก็ได้เพื่อนสี่คนนี่แหละพาลงเรือหนีไปนครสีธรรมราชจากนั้นเราก็ไม่พบกับพวกเขาอีกเลยเราได้ทราบภายหลังว่าเขาไม่อยากเป็นนักรบอีก ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาหากเราไม่ได้เพื่อนสี่คนนี้ก็คงต้องตายอยู่ในสมณเพศและพวกที่ฆ่าเราก็ต้องบาปนาสาหัสมากช่วงระยะเวลานั้นท่านตัดความหลงในสงสารได้แล้วหรือขอรับท่านพระครูถามยังแต่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว เรารับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าได้ไม่นาดก็เร่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้ดวงตาเห็นธรรมและได้เรียกสหายของเราให้มาหาพระเทระเจ้านิ่งไปครู่หนึ่งเมื่อเริ่มลึกนึกย้อนไปถึงสมัยที่ยังดำรงเพศครือขัดบรรยากาศในขณะนั้นเงียบสงบหลวงพ่อในป่าและสิทธสององค์ของท่าน ต่างพากันนั่งนิ่งเพื่อให้พระมหากษัตริย์แห่งทนบุรีได้คิดคำหนึ่งอย่างอิสระสิบนาทีผ่านไปพระเทระก็เล่าว่าวันหนึ่งเราอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียวซึ่งเป็นกิจวัตรอันเป็นปกติวิสัยของเราเราจะนุ่งขาวห่มขาวแล ะ, จะเจริญพระกรรมฐานอยู่ในห้องพระ หากไม่มีข้อราชการเร่งด่วนตอนนั้นบ้านเมืองเริ่มสงบลงมากหลังจากที่เราแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของราษฎรได้แล้วช่วงนั้นท่านรับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าหรืออย่างขอรับท่านพระครูถามและพร้อมที่จะจดคำตอบลงในสมุดที่ท่านเตรียมมาแสงสว่างจากเทพทั้งหลาย ที่รายล้อมอยู่รอบโบสถ์ทำให้ท่านไม่ต้องการแสงสว่างจากเทียนไขหรือไฟฟ้ารับแล้วและถือปฏิบัติทุกวันลุงพ่อในป่าท่านเมตตาเรามากเมื่อเราติดขัดข้ออัดข้อทำใดท่านก็มาสอนมาอธิบายท่านก็มาสอนมาอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง พูดพร้อมกับประนมมือไหว้พระอาจารย์พระยาตากปฏิบัติกรรมฐานไม่นานก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรารู้ว่าท่านสามารถตัดความหลงในสงสารได้ในชาตินี้จึงมาสอนหลวงพ่อในป่าช่วยขยายความพระเทระเจ้าช่วยเสริมว่าเพราะความเมตตาของหลวงพ่อ เราจึงคิดที่จะตัดขาดจากคารวาสวิสัยและตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินับตั้งแต่รับกรรมฐานแล้วเพราะสงครามเพราะสงครามกู้ชาติทำให้เราต้องทำลายชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนมากเราอยากล้างบาปที่ทำกรรมที่ก่อจึงคิดว่าการบวชจะทำให้เรา ได้ใช้นิกรรมได้มากกว่าการเป็นเขาฤหัตเราเคยอ่านเรื่องของสันตติอมาตที่เคยฆ่าคนมนฑพันแต่ก็สามารถบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ได้เพราะมีกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าเราก็มีหลวงพ่อในป่าเป็นกัลยาณมิตรน่าจะตัดบาปกรรมลงได้บ้างหรือหากสําเร็จ เป็นพระอระหันต์ก็จะตัดบาปกรรมได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงให้ทหารไปเชิญสหายของเรามาพบเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามขึ้นว่าสหายของท่านคือเจ้าพระยามาหากษัตรศึกใช่ไหมขอรับไม่ใช่พระเทระเจ้าตอบ